บ้านเคยอยู่อูเคยนอนตั้งใจจามัดาจากแดนลาวเหาเ้แสงมาแก่งฮอาศัยซ้ออู่ตานแดงเหาบ่อแม่นตั้งใจลรโอ้ตามใจเลื่อน โค้ต้องแยกยหญยย่อนโจนหายบนแผ่นดินเขาเป็นคนกลุ่มหน่อยยังเป็นคนที่สิ้นแผ่นดินโยอา คือคนปากท้าสร้างความมั่นการนำจำกัดปุนพ่อใหญ่ใส่ย้มเจอปุ่นท่าใหญ่ท่าหลายลุ่มกอย่งางกะพังซำ กันแต่ ตามลังว่าเมตตาปราณีคนบ่มีให้เฮาคอยเมีจากพุทตาน้อย เอาขอนทางน้ำมันอย่างลดหน่อยร้อยลีลยล่ตาู วาดองห่ลายคนตายไววลปโยกันห่วงนั้นจากมือกันโดดลงน้ำวังไปตายเอาทางโอ้ยเมื่อแหงลอยกระทบคืนไปคกนกำบะเดลาง ถามาบงบูเท่าเล่ายังได้ดมาอาศัยแผ่นดินไทยเจ้ามาอาศัยคุณเถาะเพื่อ น, นสันท่าฮงสูนนาโนาพนพนมคุณโค้ดเพื่อนได้ตั้งให้เขายังดอกรักทาง ใหญ่หล่นพลาได้มาอยู่ดอกมากินตาธูเดิมเจ้าแผ่นดินเมืองไทยพุ้นหักใจสูงแทงตาธูแม่ปวงขาอขอข้ามาพระคุณนขอทรงประเจริญผู้มีุู้เธอไทยผาชนใด มนานาสาธุสาธุ ไปเป็นตอนเล่าไปแดนแสนอาวอนทำขอนทั้งเช้ามงคหลังขามของมาได้อาศัยไทยแผ่นดินจุ่มแม่บุญคุ้นเพิ่น มีไพ่มาใส่เพิ่นอยู่เอ็นจาดแบ่งเงินหัวฟ้ามันเห็ดใบเพราะอยากใส่เพราให้ตายมีบางมือนอนตายให้ดาบโกมเกี่ยวแนวว่าทุกตัวเดียวสี่แบ่งกินสาม ถึงหัวคือยำเสาถึงกลางเอากินข้าเทียงโอ้ยอิ่มว่าอิ่มต้องหลีกเลี่ยงเครงหางไว้ไส้ ใบบอทันตุนให้บุญมือกระเมิดแล้ว กันให้อยูน่นี่ พ่พ อ, พอ ก, กันมีกินเดียววานนั่นหนูคันจนมุนมีฉันพวกหัววานีกินกัะปุดหนาวเน็บฉันที่พวกห้งตีนส่วนหัวกะย็นจจอย่ข้ามเอาพกแย่หน่อยบ่พอคู ทม ต, ตีแพ้จนบวายาพี่เบ้าความอุกเอาเสาคำเดิมโอ้ออยคือสวรรค์นั่นแกงมาเสะแสงดอกกุ่มเขา ดำดำเลื่อย cây กันอี่โค้งเทียพัฒนาในคมชนบุรีศูนย์ภาษานั่นละเจ้าไปฟื้าฟูฝาลัง มันเป็นด้านผ่านใจมูลีไฟเคยเห็นกันแต่เดิมดาเขาผู้ได้เรียนคำบากาษาเขาเบาได้ควงจับแยกจากที่นองให้ล้อยลองดอกม่างมาขึ้นเครื่องบินลักลา เดนที่เคยอ่านีมาสู่เมลิกาจอยนังเครืองดินใด้คอยแค่ดินแลวอยู่ใส แล้วยุติโ น, น้่แม่กับพ่อลูกเต่าเขานันอยู่บนใดนเข้ามาถูกแยกไว้ในรัฐอเมริกาหลายปีมาแล้ ว, ข ว, วเขาบ่สวมเงาดอกคอโน่นี่คือความจริงใคร มาเบาเ่าวล่วสีกดีแจงบ่แตง่งกว่าพุนไทยที่เริ่มแบมือคอยอยามีไพยต่อมอไทยใจดีไทยที่เศร้าห่วสนหวหมูนจนของเจ้าเขาไทยล้วบ่เลือก คือจังไคเฮาผูกโบบีบางเบาอยู่อเมริกาดาวอยู่น้ำตกกับเพียงร่างใจยั ง, งว่า แสนร่ำ